สัรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่ถึงเวลาที่เราจะทำความสงบใจแล้วให้พึ่งพากันตั้งสติให้แน่วแน่ใจจะสงบได้ก็เพราะอาศัยสตินั่นแหละมันระลึกเข้าไปหาความรู้สึกนู่น เอาสติเข้าไปประคองไว้มันยึงค่อยสงบอยู่ได้จิตนี้นะจิตนี้ถ้าขาดสติแล้วมันไม่อยู่แล้วมันย่อมคิดสส่ไปส่มาอยู่อย่างนั้นเนี่ยใครก็ช่วยไม่ได้คนอื่นก็ช่วยไม่ได้ตนเองเท่านั้นนะช่วยตัวเอง โดยอาศัยที่ทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันนี้ตามปกติเนี่ยจิต น, นี่มันย่อมคิดไหลไปภายนอกนุ่นมันไม่ใช่มันคิดอยู่ภายในนี่นั่นแหละเรามาฝึกให้มันคิดอยู่ภายในนี่บัด น, นี้นะ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 กิเลสมันมีอิทธิพลไม่ใช่น้ อ, อยเหมือนกันนะกิเลสมันผลักดันเอาไอ้เราก็ผลักดันกิเลสเหมือนกันเนี่ยสู้กันมเมื่อเราเข้มแข็งเราก็เอาชนะกิเลสได้นั่นนะการเจริญพระกรรมฐานจะเจริญพระกรรมฐานบทใดก็สราง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 โดดดความคิดความนึกเข้ามาให้หมดเลยอย่านี้แหละอย่าจะให้มันยืดออกไปะถ้าหากว่าไม่ทำอย่างนี้แล้วไม่มีทางนะที่จะทำใจสงบลงได้ต้องหัดก็อย่างว่ามาแล้วนั่นแหละปกติของีดนี่มันชอบคิดส่งไปในอารมณ์ต่างๆ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 ทิ iner, galaxies, player, ้งอารมณ์น ah> ั้นแล้วก็ไปยึดอารมณ์อารมณ์โน้นวกไปเวียนมาอยู่อย่างนั้นเมื่อพิจารณาดูแล้วมันน่าเบื่อจริงๆเนี่ยเบื่อความคิดตัวเองคนเรามันต้องรู้จักเบื่อเป็นถ้าพอใดเบื่อไม่เป็นแล้วไม่ไหวมันจะไม่ยอมสงบ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 การเพ่งเลงไปมันก็มีสองอย่างเพ่งไปด้วยความรักอย่างหนึ่งแล้วก็เพ่งไปด้วยความเกลียดชังอย่างหนึ่งนี่จิตใจนมันชอบนักใ้เรื่องพันนี้นะมา ต, ตัวเองนั่นเหลวแหลกอย่อยางไรอ่ะไม่พิจารณาเลยยังสำคัญว่าตนนั้นดีอยู่งั้นแหละถ้าว่าตนดีอยู่จริงอ่ะ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 ยอมจะฝึ ก, กจิตให้หนักแน่นให้ตั้งมั่นให้เกิดความรู้ความฉลาดไม่ได้คาแต่ทิฐิมานะความแข็งกระด้างนั่นแหละจิตมันก็ลงสู่สมาธิไม่ได้เลยดังนั้นต้องให้เข้าใจเรื่องของใครของเราอะว่าขณะ น, นี้จิตของตนเป็นยังไงความรู้สึกนึกคิดเป็นยังไงมันแข็งกระด้างหรือมันอ่อนโยน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 เตือนตนเองอยู่ได้ตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นมันจึงได้เหมาะสมที่สุดสำหรับตนเองตักเตือนตนเองสอนตัวเองให้ทวนกระแสจิตเข้ามาสู่กายสู่จิตนี้ทำยังไงจิตนี้มันถึงจะสงบได้ละเอียดละอ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 นั่นแหละอารมณ์แห่งกรรมฐานไม่ใช่ทั่วไปนะก็จำกัดแหละดังที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นะนะั่นแหละเรียกว่ากรรมฐานสี่สิบข้อนะั้นจำกัดอยู่ในสี่สิบข้อนะนะั้นแต่ว่าทรงสอนให้เอาข้อใดข้อหนึ่งไม่ใช่สอนให้พิจารณาหลายๆข้อพร้อมๆกันไป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 บัด้เมื่อมันไม่ได้สมหวังเข้ามาแล้วมันก็กลายเป็นความเกลียดความชังความโกรธขึ้นมาแล้วนี่มันเป็นไปมันเป็นไปโดยลำดับอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นกิเลสตัวนี้นะพระพุทธเจ้าจึงได้จัดไปหัวหน้าหมู่เลยนะราคะโทสะโมหะมูนีมานะทิฐิลำดับกันไปอย่างนั้นนะ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 ดังนั้นแลพภาศาสราจึงได้จัดความรักของใครนไว้เป็นหัวหน้าหมู่เลยทีเดียวอย่างเช่นสามีภรรยาหมู่นี้น่ยกาจะได้มาเป็นสามีภรรยากันก็เพราะมันรักใครกันนั่นเองเ่บื้องต้นน่ยถ้ามันเกลียดชังกันแล้วมันไม่ได้มาเป็นสามีภรรยากันหรอกไม่ได้มาเป็น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 วันนี้จิตใจก็บว่าวุ่นขึ้นมาแล้วอก็เกิดขัดแย้งกันขึ้นมาโทษกันไปเพฤ่อเือแล้วันนี้นะหาว่าไม่ช่วยกันหาว่าไม่เอาใจใส่อะไรต่ออะไรกันไปอะคนโนกับโทษคนนี้คนนี้ก็โทษคนโน้นเข้าไปหลงเอ่ยกันไม่ได้แล้วก็แยกทางเดินกันแตกสามัคคีกันไป มีอยู่ทมไปไเรื่องมูรีน่นั่นแหละความรักกับความชังนะอันใดขึ้นหน้านะลองสังเกตดูสิสเพราะฉะนั้นเมื่อละความรักอันนี้ลงได้แล้วมันก็ละความชังได้เหมือนกันนะอืมเมื่อไม่รักแล้วมันก็ไม่ชังเละเป็นธรรมดา เพราะมันมองเห็นแล้วว่าไม่มีอะไรน่าเกลียดน่าชังนี่เพราะพิจารณาเห็นแล้วว่าอัตภาพร่างกายนีนะ่มันเป็นของไม่สะอาดเลยนะสกรปรกสมมอ่ะถ้าเพ่งด้วยอำนาจแห่งยุติธรรมนะเพ่งแบบยุติธรรมอ่ะไม่ลำเอียงด้วยความรักความชังนะอ่ะเพราะยุติธรรมแล้วก็หมายความว่า ก็ร่างกายนี่มันมันมีอาหารเป็นเครื่องรอเลี้ยงนี่อาหารแล้วมันสะอาดหรือมันสกกระโปรงล่ะนั่นลองคิดดูสิไม่ต้องคิดให้าลาบากเท่าไรแล้วธรรมดาอาหารเนี่ยมันก็เป็นของสกรโปรอยู่แล้วถ้าหากว่าเราไม่รับประทานเข้าไปไม่กลืนเข้าไปในท้องนะในกระเพาะ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 มาให้มันส่งกลิ่นออกมาข้างนอกมันก็จึงพอประทังได้นะเรื่องอาหารนี่นะเมื่ออาหารนี่มันไม่สะอาดแล้วอย้านี่ร่างกายนี่มันจะสะอาดได้อย่างไรอะเพราะร่างกายนี่มันอยู่ได้ด้วยอาหารอยู่ได้อยู่ได้ด้วยของสกปรกนี่จะไปเอาของสะอาดสะอาดนี่มาบำรุงมันก็ไม่ได้อีก มันไม่ยอมรับอีกเหมือนกันนะนี่ลองคิดดูเป็นอย่างนี้แหละเมื่อเพ่งเห็นเป็นของเน่าของเปื่อยของผุพังอย่างนี้บ่อยๆแล้วมันก็ไม่รักไม่ชังเลยบัานี้ล่าความรักได้ความชังมาก็หายไปก็บัานี้ก็เลยเพ่งไปจาก ความเน่าความเปื่อยผุพังก็กลายเป็นธาตุแบบนี้นะนั่นไงส่วนใดเป็นธาตุดินมันก็ลงไปเป็นดินของเก่าส่วนใดไปเป็นธาตุน้ำมันก็เป็นธาตุน้ําของเก่าหรือเป็นธาตุไฟเป็นธาตุลมไปตามเรื่องของมันก็เท่านั้นเองเนี่ยรูปกายอันนี้มันจะมีอะไรแล้วแต่คนเรานี่เนี่ย มันไม่ฝึกจิตให้ตั้งมั่นอยู่ภายในได้เพราะฉะนั้นมันจึงไม่เห็นความจริงของร่างกายนี้มันก็มาบกพร่องอยู่ตรงนี้แหละให้พากันเข้าใจเมื่อผู้ใดเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ต้องเพียรพยายามที่ทวนกระแสจิตเข้ามาภายในบ่อยๆเอามาเพ่งกายนี้เสมอไม่ว่าแต่เวลานั่งสมาธิหละ ถึงไม่นั่งสมาธิก็าตามได้โอกาสก็กาหนดจิตเข้าเพ่งเข้าไปในกายนี้เลยให้เห็นร่างกายนี้ตามสาภาพความจริงอย่างว่ามาแล้วนั่นนะอย่าให้มันเห็นไปว่าเป็นของสวยของงามออหัดก็ยังว่าฝึกถ้าเราไม่ฝึกอย่างเนี้มันจะจิตใจนี้มันก็ไม่น้อมไปแล้วไม่น้อมไปในความเบื่อหน่ายเลย มันก็จะน้อมไปแต่ในความรักเพราะว่าไอาเรื่องความรักนี่มันสะสมมานานแล้วเรื่องมนันนะเกิดมาชาติใดพบใดที่ล่วงมาแล้วนู่นมันก็สะสมความรักความใคร่นี่แหละไว้ในใจมันไม่มันมันมั น, มนไม่ได้สะสมความเกลียดชังไว้ในใจดอกความจริงนะความเกลียดชังนี่มันมาทีหลังแบบนี้นะ เมื่อมันไม่สมหวังในความรักแล้วมันก็กลายเป็นความเกลียดชังไปมันเป็นอย่างนั้นดังที่ยกอุทาหรณ์ให้ฟังมานั่นแหละ <c oughs> แม้เกี่ยวกับคนอื่นก็เหมือนกันนะทีแรกเราก็รักใคร ก, กันดี ก, กันอย่างที่ว่ามานั่นแหละบัดนี้เมื่อผู้นั้นเผลอตัวไปแสดงความ ไม่ดีต่างๆกิริยาไม่ดีอะไรต่ออะไรออกมาแล้วอย่างนี้นคนรักก็เลยกลายเป็นคนชังไปนี่มันเป็นอย่างนั้นที่เมื่อเราเมื่อเรามาเพ่งดูอัธภาพร่างกายนี่เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเน่าของเปื่อยู่ของแตกของดับอย่างนั้นลงไปบ่อยๆจนมาเกิดงานความรู้ขึ้นในใจนั่น งานความรู้ในที่นี้หมายความว่ามันไม่เสื่อมมันปรากฏอยู่ในใจนั่นเสมอที่นี้เมื่อบุคคลที่ว่าตนเคยรักให้พอใจมานั่นน่ะทําไม่ดีไม่งามต่างๆให้แสดงออกซึ่งความไม่ดีต่างๆออกมาทางกายวาจานี่มันความรู้ดังที่ว่ามาแล้วนะั่นมันก็จะมาปรากฏในใจเลยฮึ อ, อันนั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลนะ เป็นแต่ธาตุดินน้ำไฟลมต่างหากมันแตกมันดับไม่ใส่จะไปเกลียดสรงมันทำไมมันไม่ดีกับเรื่องของมันมันดีกับเรื่องของมันไม่ใช่ของใครคือเรื่องของสังขารจิตดวงนั้นมันเมื่อมันถูกอวิชชาครอบงำย่ำยีเอามันก็หลงไปทำดีไปบ้างทำชั่วไปบ้างพูดดีบ้างพูดชั่วบ้าง เวลาใดมันรู้ตัวมันก็พูดดีเวลาใดมันลืมตัวมันก็พูดชั่วทำชั่วนี่เมื่อเราพีานณาถึงต้นตอของความดีความชั่วซึ่งเกิดขึ้นจากตัวเราเองบ้างคนอื่นบ้างเห็นสภาพตามความเป็นจริงอีนนี้มันก็ปล่อยวางได้เลยหรือว่าถ้าพูดถึงให้อภัยก็ให้อภัยกันไปได้เลยก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นไว้เลย นี่มันก็เป็นอย่างนี้เลยอนุบายวิธีละกิเลสนะให้พึ่งพากันเข้าใจถ้าพูดเรื่องหมูนะี่ไม่ว่านักปวดไม่ว่าผู้ครองเรือนนะก็ไม่อยากจะเพ่งพิจารากลัวว่ารสชาติแห่งความรักความใครนะ่นั้นมันจะหายไปผู้ครองเรือนยิ่งแล้วใหญ่ ยิ่งไม่ต้องการพิจารณาเพราะว่ามันมันพอใจในรถแห่งความรักนั้นอย่างทราบซึ่งตรึงใจจริงๆ ก, ก็อันนั้นแหละมันพาให้เป็นทุกข์มาในสงสารอันนี้มันควรจะคิดให้มันเห็นเมื่อคิดเห็นได้แล้วอย่างนี้นะหากว่าตนละให้เด็ดขาดลงไม่ได้มันก็จะบรรเทาลงทำให้ ความรักความใคร่นะี่ยมันบรรเทาลงเมื่อมันบันเทาลงแล้วมันก็มาประพฤติ ธ, ธรรมนี้ได้ทําใจให้สงบลงไปได้นี่อย่างนี้แหละถ้ายัางไปชื่นชมยินดีกับความรักความใคร่เต็มร้อยเปอร์เซ็นตอยู่นั่นแหละไม่มีทางเลยที่จะมาฝึกจิตใจนี้ให้สงบลงได้เมื่อใจไม่สงบแล้วอันบุญกุศล ที่ตนทำมาหมดนั้นมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะอันที่ว่าสุขโผลุญญัสะอุจเยโยการสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุขนั้นไม่มีความหมายเลยทําไมล่ะก็เพราะจิตมันไม่รับเอาบุญนี่มันไม่พอใจในบุญนี่มันไปพอใจในความรักความใคร่ในรูป เสียงกลิ่นรดเครื่องสัมผัสเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พึ่งพากันพิจารณาให้มันเห็นในเรื่องมูนี้นะใครพิจารณาไม่เห็นแล้วก็ติดก็คล้องอยู่ในโลกอันนี้เลยมันคล้องธรรมดาก็ยังชั่วหน่อย มันให้ไปทำบาปนี่สิมันร้ายกาะ่ะนั่นแหละถ้ามันไม่ทำบาปแม่มันจะคลองอยู่ในโลกนี่มันก็ยังนับว่าพอหายใจโลกงได้ น, อน้อย